ปฏิสัมพิธามัตต์นี้ถ้าโดยโดยอัฏฐ ะ, แ, ะแปลว่ามัตตในแปลว่าทางอนะทางเพื่อปฏิสัมพิธาถ้าคัมภีรก็คือคัมภีร์ที่เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดปฏิสัมพิทาคําว่าปฏิสัมพิทานี้เป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่ถึงความแตกฉานหรือปัญญาที่มีการจําแนกแยกแยะในประเภทอะไรต่างๆได้ แต่การจำแนกโดยประเภทในที่นี้เน้นจำแนกอริยสัจนั่นเองเพราะอย่าลืมว่าการศึกษาพระพุทธศาสนาจะศึกษาจากแง่ ม, มุมใดจะศึกษาจากคำภีรใดวัตถุประสงค์เหมือนกันก็คือเรียนอริยสัจเนี่ยนะจะจะเรียนจากตรงไหนก่อนก็ได้เรียนจากเล่มสุดท้ายมาก็ตามเรียนจากเล่มที่หนึ่งขึ้นไปก็ตามก็คือการเรียนอริยสัจนั่นเองท่านพระองค์กล่าวว่า พระองค์นั้นประกาศทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยใช้บทอักขระเป็นต้นเนี่ยไม่มีประมาณใช้ถ้อยคําไม่มีประมาณเลยพูดเอ็กภาษาหนึ่งบอกว่าเปลืองถ้อยคํามากเลยเพื่อจะให้รู้อริยสัจเนี่ยใช้ถ้อยคําอย่างบอกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะอย่างพระ เ, เราพูดได้หนึ่งคำเนี่ยพระนรนท์พูดได้แปดคำพระนนท์ดดนนพูดได้คําหนึ่งพระพุทธเจ้าพูดได้สิบหกคำ ท่านเราพูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าตรัสได้ร้อยกว่าคําผู้ได้มากขนาดนั้นก็เพื่อประกาศอริยสัจเพื่อแสดงอริยสัจนั่นแหละทัานการแสดงอริยสัจนั้นจึงมีการแสดงโดยปรยยิปรยายปริยายแปลว่าเหตุโดยเหตุมีประการต่างๆเพราะว่าการตรัสรู้อริยสัจนั้นถือว่ามีคุณมากมีคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆ เพราะถ้าเห็นอริยสัจแม้ครั้งเดียว ท, ที่เรียกว่าเข้าถึงความจริง ท, ที่เป็นความจริงที่ทำให้บุคคลทั่วไปกลายเป็นพระอริยะได้เห็นอริยสัจครั้งเดียวเนี่ยมีคุณมากไม่มีอะไรที่จะมีคุณยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะเขาสามารถปิดประตูอบายทุกติวินิบาตนรกได้หมดเลยพระองค์เจิงภาคเพียรพยายามแล้วก็บารมีทั้งหมดที่พระองค์บาเพ็ญเนี่ยนะก็เพื่อให เพื่อช่วยสงเคราะห์หมูสัตว์ให้เห็นอริยสัจนั้นคําสอนทั้งหมดนั้นจึงเป็นคําสอนที่สอนอริยสัจโดยส่วนเดียวอย่างทุกขสัจเนี่ยมาจําแนกเป็นขันเป็นอนยตนะเป็นธาเป็นอินทรีย์เป็นอะไรต่างๆอีกเป็นนามรูปเป็นกุศลอกุศลอภยยากะตะเป็นธรรมที่เกิดร่วมกับสุขเวทนาธรรมที่เกิดร่วมกับทุกขเวทนาธรรมที่เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาธรรมที่เป็นกรรมธรรมที่เป็น ทําให้กรรมเกิดทำที่ไม่ใช่กรรมไม่ใช่ผลของกรรมเนี่ยนะมาแสดงโดยปริยายต่างๆซึ่งนั้นก็คือทุกขสัจจะเนี่ยนะก็คือทุกขสัจจะแล้วพระองค์ก็มาแสดงสมุทัยนะสมุทัยที่เป็นเหตุแห่งทุกขจะแสดงว่าปฏิจจสมุปบาทแสดงตัญหาที่เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่จะแสดงอย่างไรก็ตามจะแสดงเรื่องเหตุเรื่องผลโดยอย่างไรก็คือประกาศสมุทัยสัจจะแต่การประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาแบ่งออกเป็น เป็นสองสองคำคือปวัตตะกับนิวัตตะปวตะกับนิวัตตะปวัตตะนี่แปลว่าไปไปเรื่อยเหมือนกระแสน้ําที่ไหลไปไม่ไม่มีจบนะก็ไปเรื่อยไปยังไงก็คือไปในวัตะไงเป็นไปในวัตะเมื่อไปในวัตะแล้วก็เหตุที่ทําให้ไปในวัตะส่วนนิโรธสัจจะก็คือนิวัตตะแปลว่าการตรงกันข้ามกลับมาเลย นะเป็นการทวนกลับทั้งหมดทีนี้การที่จะทวนกลับเหล่านั้นได้ก็ต้องมีข้อปฏิบัติเนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อการทวนกลับทีนี้ข้อปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นกุศลธรรมที่เรียกว่ามักมีองแปดประชุมกันนี่มักมีองแปดแต่ละองค์ที่จะมาประชุมกันได้ไม่ใช่ของง่ายเป็นสิ่งที่ยากพระองค์ก็ตรัสว่าในบรรดาสิ่งที่ถูกปัจจัยประชุมปรุงแต่งแล้วยากที่สุดคืออรอยิยมรรค อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดที่เป็นเป็นตัวบรรลุนิพพานเนี่ยตัวนี้ยากที่สุดเลยคือการประชุมพร้อมแห่งองค์มรรคทีนี้ก่อนที่มรรคจะเกิดขึ้นทั้งแปดองค์เนี่ยเกิดได้อย่างไรมีอะไรเป็นอาหารมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นอุปนิสัยนี้อุปนิสัยหรือปัใจจัยใกล้ๆขององค์มรรคอริยมรรคที่จะเกิดขึ้นเห็นอริยศาสตรนั้นอ่ะเหตุใกล้จริงๆของเขาก็คืออะไรก็คือการเจริญโพชฌงการเจริญ ส, สติปฐานการเจริญโพชงการเจริญสติปทานเป็นต no, ้นที pray, ่อยู่ใกล้มรรคเลยก็คือโพธิปัจขยธรรมนั่นแหละอบรมโพธิปัจขยธรรมก่อนที่กุศลธรรมเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาในโพธิปัจขยธรรมศรัทธาว่าอริยมรรคนี่นําเข้าออกจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงแต่กว่าจะถึงวันนั้นได้จะถึงถึงเห็นคุณค่าอย่างนั้นได้จริงๆนั้นน่ะจะต้องฟังธรรมจาก เพียงพอนะพระองค์นั้นจึงแสดงพระธรรมมากแสดงมากก็เพื่อบ่มปัญญาของผู้ที่ไม่มีปัญญาบ่มปัญญาของผู้ไม่ได้สั่งสมปัญญามาพระ อ, องค์ก็เลยแสดงโดยปริยายต่างๆโดยเหตุต่างๆเพื่อให้มีปัญญาจิตจะได้โครจรไปในพระธรรมยังนึกถึงว่าสมัยก่อนจริงๆเนี่ยท่านฟังธรรมไม่มากแต่ท่านอยู่กับธรรมะมาก สมัยใหม่ฟังมากแต่อยู่กับธรรมะน้อยตามกันไหมถ้าดูไม่ต่างก็แย่แล้วนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฟังไม่มากแต่เขาจําได้หมดแล้วเข้าไปคิดตามนั้นเนี่ยมากคิดทั้งวันคิดทั้งคืนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงปกินากะกระถาให้แก่พระปัญจวัคคีสมมติว่าเขาเขาวันอาสาลหะใช่ไหมพระองค์ประกาศธรรมจักพระัญญาโกลธัญญะบรลุรูปเดียว ส่วนอีก4ี่องค์ไม่ได้บรรลุเลย น, นีในในองค์ที่เหลือเนี่ยนะพระมีห้าห้าท่านมีใครบ้างนะพระโกนธัญญะวัปปะมหานามพัทธิยะอัศชิเนี่ยนะบรรลุรายวันวัลละองวัลละองวัลละองไปทีนี้ถามว่าพระองค์สอนอะไรให้แก่ภิกษุเหล่านั้นที่บอกว่าปกินนากาศคาถาทั้งทั้งที่ท่านเหล่านั้นก็ฟั ง, ฟงธรรมจักฟังอริยสัจเหมือนกัน ก็คือท่านเหล่านั้นก็ทรงจําถ้อยคําในธรรมจักคําในอริยสัจนั่นแหละมาทิดมาใกล้ควรอริยสัจพอคิดตามพอเมื่อไหร่ที่คิดออกนอกพระธรรมพระพุทธเจ้าเสด็จมาเลยแบบห้าอย่าคิดอย่างนี้นะจงคิดอย่างนี้อันนี้ไม่ควรคิดนี้ควรคิดแค่นี้ก็ไปละท่านก็ก็คิดตามจนได้บรรลุนะนะแล้วก็สอนบนรรลุวัลลโองวัลรโองวัล ร, รองไป ท่านฟังธรรมจากเท่านั้นแหละแต่ท่านไปคิดธรรมะอย่างนั้นได้ทั้งวันทั้งคืนเวน้นแต่หลับท่านท่านอยู่กับกับธรรมะได้ขนาดนั้นนะเสร็จแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยนะวันห้าคำ่ำพระองค์ก็แสดงอนัตตาลักษณะสูตรท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตมั่นคงมากถึงขนาดว่าทุกคําที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยไม่มีคำว่าหายนะติดตามเรื่องใดตลอดและเข้าใจายอย่างพลุโ ป, ปรง่ง โซนสา ม, มารถบรรลุปเป็นพาหาันกันทั้งหมดห้ารูปพร้อมกันเลยทั้นสมัยนั้นจริงๆฟังไม่มากโดยโดยพยัญชนะเนี่ยไม่มากแตกอยู่กับธรรมะอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะเขาทุ่มเทเป็ น, เ ป, นเป็นชีวิตจิตใจของเขาจริงๆเลยแต่ว่าถ้าเทียบกับสมัยใหม่ได้ยินมากแต่ว่าจําอะไรไม่ได้เลยดีไม่ดียังไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเลยอย่างไงเพราะก็ความความเข้าใจแตกต่างกัน ถามว่าที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะวัตถุประสงค์ของคนสมัยนั้นชัดเจน น, นะกถูประสงค์ของคนสมัยใหม่ไม่ค่อยชัดเจนสมัยนั้นเขาชัดเจนอย่างไรในการศึกษาพระธรรมความชัดเจนของคนสมัยนั้นคือเขาศึกษาเรื่องชีวิตอย่างเดียวนนะเขาต้องการที่จะพ้นทุกข์อย่างเดียวนะใจของเขามีอยู่อย่างเดียวคือเขาทำยังไงเขาจะพ้นจากทุกข์ได้ ทำยังไงที่เขาจะดับตาดับหูดับจมูกดับลิ้นดับกายดับจิตไม่มีปฏิสนธิต่อไปได้เขาจะทําได้ยังไงทํำยังไงเขาไม่ต้องเกิดในนรกเปรตอสุรกายเดรฉ า, านเขาไม่ต้องเป็นไปในวัฏฏะเนี่ยนะนั่นคือความปรารถนาที่สูงส่งของเขาเป็นความต้องการของเขาทุ่มทุ่มเททุกอย่างเลยนะสละทุกอย่างเพื่อให้รู้สิ่งนี้อย่างพรนาละกะเนี่ยนะหลานของกาละเทวินเนี่ยเขามีทรัพย์แปดิบโกด พอได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกเพื่อสอนข้อปฏิบัติที่ทำให้ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสละหมดเลยเพื่อจะมาเรียนไอวิชาที่จะทําให้ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ถ้าอัญญากณทัญญาเนี่ยถือถือว่าเป็นมหาเศรษฐีของสมัยนั้นนะเป็นระดับอาจารย์ของพระราชาเนี่ยนะเปนตำแหน่งระดับปุโรหิตที่ที่ปรึกษาระดับสูงของพระราชามีความรู้สูงมากเลยนะ พอได้ข่าวว่าพระโพธิสัตว์บวชก็บวชตามนะหรืออีกในหนึ่งแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นั้นเป็นเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอาจารย์พูดหนึ่งคำเนี่ยอธิบายได้มากกว่าอาจารย์นี่นะตัญญาของพระโพธิสัตว์นี่มากขนาดนั้นอาจารย์พูดจบนี่รู้เรื่องนั้นที่อาจารย์พูดเนี่ยจำได้เท่าอาจารย์เข้าใจได้เท่าอาจารย์ทำอยู่ไม่นานแป๊บเดียวก็ฉลาดเท่าอาจารย์หมดแล้วอธิบายได้ดีกว่าอาจารย์ได้ซ้ําไป จนอาจารย์ต้องยอมรับให้มานั่งตำแหน่งเดียวกับอาจารย์ตลอดนี่แหละท่านมีความสามารถขนาดนั้นนี่ถ้าใครที่ศึกษาพุทธประวัติมาอาทิตย์ชาตสุดท้ายก็ได้ก่อนนะเฉพาะชาตสุดท้ายอย่างชาตสุดท้ายเนี่ยนะท่านเป็นคนที่เกิดมาสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างใช่เป็นเป็นถ้าเป็นเด็กก็เด็กที่ได้รับการเอาอกเอาใจมากที่สุดดูแลอย่างดีที่สุด คือทุกอย่างที่สุดที่สุดของสมัยนั้นเนี่ยเขาประเคนให้พระให้สิทธัตถะกูมารหมดเล ย, ยนะให้สิทธัตถากูมารหมดแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากท่านเนี่ยเป็นนักแม่นธนูนะเป็นนักแม่นธนูเนี่ยยิงไกลขนาดไหนก็ยิงถูกแล้วปกติของท่านท่านมีมีตาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยมีตาพิเศษว่าปกติเลยเนี่ย ตาท่านจะมองได้เห็นประมาณสิบหกถึงยี่สิบกิโลเมตรทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีกำแพงขวางกันมองทะลุ ด, ดินลงไปนี่ร่วมยี่ิบกิโลเมตรได้สบายเลยไม่ไม่ใช่ตาทิพย์นะตาเนื้อธรรมดาเนี่ยท่นรัศมีโดยรอบท่านจะมองเห็นหมดท่านมีความสามารถขนาดนั้นแล้วก็เป็นคนที่เกิดมานี่มีขุมทรัพย์เนี่ยนะภูเขาทองเนี่ยผุดขึ้นสีสีภูเขาอะ่ะนะท่านมีบุญจริงๆเสร็จแล้ว แต่สิ่งที่ท่านคิดอยู่เสมอก็คือท่านเห็นคนอะไรนะเห็นเทวทูตใช่ไหมเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายอันนี้คือสิ่งที่ท่านสังเวชมากท่านบอกว่าทํำยังไงจึงจะพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายถึงสิ่งที่ท่านมีเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยให้พ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายอะไรเลยและท่านก็มองเห็นว่าหมู่สัตว์ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปกับความแก่ความเจ็บและ ความตายนนึกถึงก็บอกว่าคือท่านเกิดมาท่านพูดแบบภาษาท่านไม่เคยเห็นคนแก่ขนาดนี้เลยนะพอเห็นปั๊บนี่ใครนี่อะไรกั้นก็คนแก่พระเจ้าค่ะแล้วคนแก่ทําไมจึงแก่ก็คนในโลกเกิดมาเขต้องแก่อย่างนี้แหละแก่ทั้งหมดด้วยใช่ไหมเราก็แก่ใช่ไหมบอกใช่พระนางพิมพาต้องแก่อย่างนี้ไหมแก่ญาติของเราทั้งหมดต้องแก่อย่างนี้หมดไหมบอกใช่ความเกิดนี่เลวร้ายมาก ท่านคิดไปหาเกิดเลยถ้าไม่เกิดความแก่แบบนี้ไม่มีเห็นไหมท่านก็คิดวันหลังก็ไปเจออะไรคนป่วยอีกใช่ไหมทุกคนต้องป่วยอย่างนี้หมดใช่ไหมบอกใช่ความเกิดนี่เร็วจริงๆเลยถ้าไม่เกิดนั้นไม่ต้องป่วยอย่างนี้เดีไปเห็นคนตายใช่ไหมคนร้องไห้ระงมคิดถึงคนตายทุกคนต้องตายหมดใช่ไหมบอกใช่ความเกิดนี่เร็วมากเลยถ้าไม่เกิดสักอย่างเดียวก็ไม่ตายเห็นไหม เสร็จแล้วก็ตอนหลังเห็นนักบวชใช่ไหมนักบวชเขาไปอยู่ทําอะไรแสดงว่าต้องอยู่เพื่อศึกษาข้อปฏิบัติสักอย่างเพื่อให้พ้นจากความเกิดเมื่อไม่เกิดจะได้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายท่านได้โจทย์แล้วโจทย์ท่านมีอยู่เท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็ออกบวชพอออกบวชเนี่ยนะไปศึกษาทุกอย่างก็ยังไม่ไม่เป็นที่ประทับใจอนะเช่นไปเรียนอรูปฌานกับอาลาลดาบทอุสกกดาบทเนี่ยนะ ไม่กี่วันเนี่ยประมาณอาทิตย์เดียวนะทั้งหมดนี่ก็จบในว่าสัญญาณาสัญญายาตนะแล้วสามารถบอกสอนได้หมดเลยแต่ท่านก็ยังแม่นยำว่าชาญเหล่านั้นก็ยังนำเกิดอีกอยู่ดีนนํำนำ น, ำนำเกิดในอรู ป, ปรภพอีกอยู่ดีเสร็จ แ, แล้วท่านเป็นคนที่คิดยาวพระโพธิสัตว์นี่เป็นคนที่คิดยาวคิดยาวยังไงคิดยาวว่าเหมือนเหมือนอย่างที่เขาว่านะถึงจะไปไกล ย, ยังไงก็กลับมานอนบ้าน คิดง่ายๆเนี่ยนะ เ, เหมือนเราจะเหมือนเราจะไปที่ไหนก็ตามจะไปถึงไหนถึงไหนก็กำลับมานอนบ้านฉันใดก็ดีคนที่เวียนไหวตายเกิดในวัดตะก็ฉันนั้นถึงจะเวียนไหวตายเกิดไปพบใดก็ไม่ได้พ้นจากการเวียนไหวตายเกิดถึงจะไปเป็นอรู ป, ปรพรมก็เวียนกลับมาสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกฉะนั้นในหลายๆแห่งชมเลยว่าโซดาปฏิมักเนี่ยนะมีคุณยิ่งกว่าเนวสัญญานาสัญญายาตนะเอาโสดาปฏิมักเนี่ยมาหารสิบหก และเอาหนึ่งในหนึ่งในสิบหกมหาสิบหกอีกยังมีอุปการะคุณมากกว่าเนวสัญญานาสัญญาญตนะเพราะอะไรเพราะถ้าตายจากเนวสัญญาณาสัญญายาตนะก็มาเกิดเป็นเทวดาหมดบุญจากเทวดาไปไหนทันเทวดาที่ตายจากเทวดากลับมาเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์น้อยนะักโดยมากก็ไปอบายทุกติวินิบาตนารกถามว่าทําไม เพราะสังสารวัตรที่ผ่านมาเนี่ยนะกรรมโดยเฉพาะกรรมที่นำเกิดไม่ใช่กรรมในชาตินี้ชาติเดียวที่มันนาเกิดกรรมเมื่อแสนโกรธกับที่แล้วก็ยังนำเกิดได้ยังให้ผลนำเกิดได้เพราะฉะนั้นในสังสารวัตรที่เวียนว่ายตายเกิดโู้ยทดีอย่างเดียวพูดเพราะอย่างเดียวไม่เคยด่าใครเลยมีเมตตาอย่างเดียวไม่เคยโกรธใครเลยมีปัญญาอย่างเดียวไม่เคยขาวเลยตรงกันข้ามหมดใช่หม